คุณพระเจ้านะครับสำหรับในบ่ายวันนี้ที่มีโอกาสที่จะได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องสบายดีเนาะพี่น้องพร้อมมัยยังพร้อมแล้วตามผมมานะครับเมื่อเดือนตุลาคมปี2004นนะครับ ผมก็มีโอกาสเดินทางไปเทศนาที่ค่ายที่จัดโดยคุณสิจักรลาวไทยที่เมืองโอเกเลนนะครับเมืองโอเกเลนนี่ก็อยู่ทางเกาะเหนือของประเทศดิวซีแลนด์นะครับเนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงปิดเทอมผมก็มีโอกาสที่จะพาทั้งครอบครัวเดินทางไปด้วยกันหลังจากสั ป, ปดาห์แรกที่เรารับใช้พระเจ้าที่เกาะเหนือแล้วในสั ป, ปดาห์ที่สองผมก็มีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวที่เกาะใต้ เราไปนั่งเครื่องบินไปลงที่เมืองไครเชิร์ตนะครับเมืองไครเชิร์ตก็สวยงามมากนะครับของประเทศนิวซีแลนด์เสร็จแล้วเราก็มีโอกาสขับรถไปตามเมืองต่างๆเป็นระยะทาง2 0 0พันกว่ากิโลเมตรด้วยกันโดยมีพี่น้องคนหนึ่งที่นิวซีแลนด์ให้ให้เรายืมรถ h อน d a c ซีของเขาไปขับนะครับในการเดินทางในครั้งนี้เนื่องจากว่าผมเองไม่เคยไปประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนเลย ดังนั้นจึงมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือหนังสือแผนที่ถนนของประเทศนิวซีแลนด์ผมได้เลือกแผนที่ที่เชื่อถือได้ซึ่งผลิตโดยรัฐบาลของประเทศนิวซีแลนด์เองนะครับนอกจากนี้ผมยังได้ทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางมันมีตัวเลขถนนเอ่ยระยะทางต่างๆเหล่านั้นมากมาย ความจริงผมศึกษาตั้งแต่ตอนก่อนที่ผมจะไปนิวซีแลนด์ด้วยซ้าไปเพื่อจะทําให้เกิดความคุ้นเคยและก็รู้จักเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้พี่น้องครับบนหนทางที่เราเดินติดตามพระเยซูคริสต์นั้นพระเจ้าพระองค์เองก็ทรงประทานแผนที่และคู่มือที่จะช่วยเราทั้งหลายทุกคนในการเดินทางไปกับพระองค์ แผนที่ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรานั้นก็คือพระคิ ร, รัมภีร์นั่นเองปัญหาจึงมีอยู่ที่ว่าเราเนี่ยรู้จักแผนที่ที่พระเจ้าประทานให้กับเรามากน้อยแค่ไหนเรามีความคุ้นเคยกับพระคิัรรมภีร์เพียงใดในชีวิตของเราถามว่าเรามีความแน่ใจเรามีความมั่นใจไหมและมีความไว้าวางใจในพระคัรรมภีร์มากน้อยแค่ไหน และเราได้ใช้พระคริัมภีร์เป็นคู่มือเป็นแผนที่ประกอบการเดินทางของเราไปกับพระเยซูอย่างไรบ้างในการศึกษาทุกชนิดในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาแขนงใดก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์จะต้องอาศัยตำรามาตรฐานสำหรับการอ้างอิงเสมอซึ่งจะต้องเป็นตำราที่เราสามารถให้ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ เช่นเดียวกันในการเดินทางไปกับพระเยซูคริสต์นั่นเองเราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงคู่มือมาตรฐานเช่นนี้คู่มือมาตรฐานที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเราก็คือพระคริสต์สามคำพีนั่งเองพี่น้องครับถ้ามีคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมาถามท่านในบ่ายวันนี้ว่าพระคริสต์รามคำพีเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนท่านจะตอบเขาว่ายังไงถ้าลูกของท่านที่บ้าน เพื่อนร่วม ง, งานของท่านที่บริษัทถามท่านว่าท่านมีความวางใจในพระคัมภีร์มากน้อยแค่ไหนท่านจะให้ความมั่นใจกับพวกเขาได้ไหมครับมีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ที่เราสามารถจะยืนยันได้ว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่เราสามารถไว้วางใจได้พระคัมภีร์มาจากที่ไหนคนเขียนขึ้นมาหรือว่าพระเจ้าประทานลงมาจากสวรรค์กันแน่ทั้งหมดเหล่านี้คือสโคปที่เราจะพิจารณาด้วยกัน ในตอนบ่ายวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นบ่ายวันนี้ผมจะแบ่งปันกับพี่น้องในหัวข้อว่าความน่าเชื่อถือของพระคริสต์ตามคีพีเราจะดูพระพีสองตอนด้วยกันตอนที่หนึ่งในพระธรรมสองติโมธีบทที่สามข้อสิบหกถึงสิบเจ็ดและตอนที่สองอยู่ในพระธรรมสุดดีบทที่หนึ่ง้อยสิบเก้าข้อที่แปดสิบเกตอนแรกสองติโมธีบทที่สาข้อสิหกถึงสิบเจ็ดกล่าวอย่างนี้ว่า พื่อพีทุกตอนได้รับการดุลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างตอนที่สองอยู่ในพระธรรมสุรีบทที่1นึข้อที่89กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของโปรงปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิดเราใช้เวลานี้ร่วมใจกันอธิษฐานสักนิดหนึ่งดีไหมครับ พระบิดาเจ้าบ่ายวันนี้ขอพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะทํากิจในจิตใ จ, ใจของเราเวทพรอนให้หัวใจของเราได้ซึมซับข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพระครริตกมพคัมภีร์เพื่อเราทั้งหลายจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเรายอมที่จะให้พร ะ, พระวจนะของพระองค์คือพระครริตกมัมภีร์นั้นเป็นสิทธิอํานาจสูงสุดในชีวิตของเราทั้งหลายทุกๆคน เพื่อไม่ว่าเราจะคิดอะไรเราจะวางแผนอย่างไรเราจะเดินไปที่ไหนเราจะตัดสินใจอย่างไรขอให้พระคำของพระองค์มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศ ท, ทางต่างๆเหล่านี้ในชีวิตของเราทุกๆคนด้วยขอมอบช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้กับพระหัตถ์อันทรงริกของพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในทุกสิ่งเหล่านี้ในพนามของพระเยซูคริสต์เจ้าา m มน ข้อความที่เราได้อ่านจากในพระคัมภีร์ไปในตอนบ่ายวันนี้บอกกับเราตรงๆว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ดนใจในการบันทึกพระคิสตัมภีร์ขึ้นฉะนั้นถ้าเราอยากจะศึกษาเรื่องของพระเจ้าเราก็ต้องศึกษาโดยอาศัยพระครริตกมัมภีร์เป็นหลักอย่างแน่นอนบ่ายวันนี้ผมอยากจะนําเสนอข้อพิสูจน์5ประการว่าทําไมพระคริตัมภีร์จึงเป็นหนังสือที่เราเชื่อถือได้นะครับข้อที่หนึ่ง พระคัมภี ร, ร์เป็นหนังสือ ท, ที่เราเชื่อถือได้เพราะว่าพระคริตมัมภี ร, รม์มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภาษาอังกฤษเรียกว่า unity เราเห็นเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนเมื่อเราศึกษาภูมิหลังความเป็นมาของพระคริตมคัมภี ร, ร์เราทุกคนต่างก็ทราบดีว่าพระคริตมัมภี ร, ร์แบ่งออกเป็นสองภาคคือภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยหนังสือต่างๆทั้งหมดรวมกันทั้งสิ้นก็คือ66กเล่ม พี่น้องก็จําง่ายๆนะครับสุดคูณสามเก้ายี่เจ็ดนะครับพระคัมภีร์เดิมก็มีสาสิบเก้าเล่มนะครัพระคัมภีร์ใหม่ก็มียี่เจ็ดสามเก้ายี่เจ็ดก็รวมกันเป็นหกสิบหกเล่มนะครับพระคิดส ม, ม, 27, 27มนน ค, คัมภีร์ใช้เวลาในการบันทึกตั้งแต่ต้นจนจบนะครับประมาณหนึ่งันหรอยปีโดยมีช่วงว่างระหว่างการบันทึกของพระคัมภีร์ภาคทันสัญญาเดิมกับภาคพันธสัญญาใหม่สี่ร้อยปีด้วยกันนะครับ พระคิดสำคัมภีใช้ภาษาในการบันทึกทั้งสิ้นสามภาษาด้วยกันก็คือภาษาฮีบรูภาษาอารามอยิกและภาษากรีก <Greek> มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการบันทึกพระคิดสำคัมภีรวมๆแล้วประมาณสี่สิบคนด้วยกันซึ่งสี่สิบคนนี้ต่างอยู่คนละยุ ค, คนละสมัยนอกจากนี้ฐานะความเป็นอยู่ตลอดจนอาชีพการงานก็มีความแตกต่างกันอย่างมากมีถึงประมาณเกือบยี่สิบอาชีพด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นโมเสสโมเสสก็เคยเป็นถึงเจ้าชายของประเทศอียิปต์โยชูวาเป็นนายทหารซามูเอนเป็นผู้เผยพระวจนะและก็ปุโรหิตดาวิดเป็นกษัตริย์เอสเตอร์เป็นพระราชนีนางรูทเป็นแม่บ้านโยบเป็นชาวนาที่มั่งคั่งอาโมดเป็นชาวนาจนๆคนหนึ่งเอสราเป็นอาลักษ์อิสยาเป็นผู้เผยพระวจนะดาเนียนเป็นนายกรัฐมนตรี เนฮมี <N> eh <ami> เป็นเจ้าพนักงานบริการสุลาของพระราชามัทธิวเป็นคนเก็บภาษีมาราโกเป็นนักประกาศลูกาเป็นนายแพทย์ท่านหนึ่งและก็ยอนเป็นชาวนาไอเป็นชาวประมงที่มีฐานะดีส่วนเปโตรเป็นชาวประมงจนจนก็หนึ่งยูดาและยากอบเป็นช่างไม้เปาโลเป็นช่างเย็บเต็นมีอาชีพหลากหลายกันมากคนที่มีส่วนเข้ามาร่วมในการบันทึกประคิดสำกัมภี คนเหล่านี้ที่สำคัญก็คือวพวกเขาไม่เคยนะครับมานั่งประชุมกันมาทำคอนเฟรนซ์แล้วก็แบ่งกันว่าไอ้คุณจะเขียนตรงไหนฉันจะเขียนตรงไหนไม่มีไม่มีโอกาสได้พบปะทำความรู้จักกันมาก่อนแต่ความเป็นนันหนึ่งันเดียวกันของพระคัรรมภีรียังคงมีอยู่แม้ว่าสถานที่ที่ใช้ในการบันทึกพระคัรรมภีร์จะแตกต่างกันอย่างมากก็ตามพระคัรรมภีถูกบันทึกขึ้นบนพื้นที่ของทวีปถึงสามทวีปด้วยกัน กล่าวคือทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาและทวีปยุโรปโดยมีสถานที่ที่แตกต่างกันอย่างมากมายเช่นบางตอนถูกบันทึกในทะเลทรายบางตอนถูกบันทึกอยู่บนยอดภูเขาซีนายนาบางตอนในเปรเซี์บางตอนในอียิปต์บางตอนบนเกาะปัตตมอสนะครับและก็บางตอนในอาณาจักรบาบิโลนบางตอนก็ถูกบันทึกอยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียในเมืองโคริน ในเมืองเอเฟซัสในมณฑลซีซาริยาจากกรุงลรมและจากในคุกด้วยเหมือนกันนอกจากนี้ความเป็นันหนึ่งเดียวกันของพระคิสดสำคมภีม์ยังคงมีอยู่แม้ว่าลักษณะของบทประพันธ์ที่เขียนขึ้นนั้นจะมีความหลากหลายก็ตามเป็นบทประพันธ์ในลักษณะต่างๆเช่นบทประพันธ์ในลักษณะของประวัติศาสตร์ของคำพยากรณ์ของชีวประวัติของคนอื่นเป็นชีวประวัติของตัวเองหรืออัตตาชีวประวัติก็มี เป็นคำประพันธ์ในลักษณะของคงฉันกาบกอนก็มีบางตอนก็ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของกฎหมายเป็นรูปแบบของจดหมายก็มีเป็นลักษณะของภาพสัญลักษณ์เป็นรูปแบบของสุภาษิตเป็นรูปแบบของคําสั่งสอนคนเหล่านี้ไม่ได้มีโอกาสมาพบปะประชุมกันหรือสั ม, มนากันเพื่อแบ่งหัวข้อก่อนที่จะลงมือบันทึกพระคิสตัมภีร์นะครับพระคัคมภีร์ยังเป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวนะครับ ที่เขียนขึ้นโดยไม่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหรือสังขยาณาศาสนาต่างๆเขาจะเอาเนื้อหาของพระคัมภีร์เนี่ยไอของคํำพังค์พีของเขามาสังขยาณาคือมาแก้ไขแต่ของพระคิสตัมภีร์ไม่มีการแก้ไขพระคสัมภี์มีแต่ว่าจะจะจะเข้าไปให้ถึงต้นต่อต้นต่อคือต้นฉบับว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ เราจะเห็นว่ามีการแปลพระคัมภีร์ภาษาไทยหลายฉบับแต่จริงๆก็คือเป็นการแปลเรื่องสำนวนและการใช้คำเท่านั้นให้ใกล้เคียงกับภาษาเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาแต่ประการใดนะครับและพระคัมภีร์ยังคงทันสมัยสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันตราบเท่าถึงทุกวันนี้ได้ถึงกนานั้นก็ตามพระคิสตัมภีร์ยังเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องเดียวเท่าก็คือเรื่องของพระเจ้า แ, แผนการของโปร่งสําหรับมนุษยชาติโดยปราศจากความขัดแย้งใดๆทั้งสิน้นพูดมาตั้งเยอะพี่น้องพี่น้องก็คงจะนึกภาพไม่ออกผมยกตัว อ, อย่างให้ฟังก็แล้วกันสมมติว่ามีวรรณกรรมทางาศาสนาสักเล่มหนึ่งเนาะอยากจะเขียนวรรณกรรมทางาศาสนาสักเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหา66บทด้วยกันที่เริ่มต้นเขียนโดยนักเขียนเพียงคนเดียว หลังจากนักเขียนคนนี้เขียนจบไปห้าบทแล้วเขาก็เสียชีวิตไปถึงแก่กรรมในช่วงหนึ่งร้อยปีต่อมาได้มีนักเขียนสมัครเล่นที่เป็นอิสระต่อกันคือต่างคนต่างก็รู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมในการเขียนวรรณกรรมทางศาสน า, าเล่มนี้ให้สําเร็จโดยที่นักเขียนเหล่านี้น้อยคนนักที่จะมีอะไรเหมือนกันเช่น ต่างคนต่างก็พูดภาษาที่ไม่เหมือนกันมีชีวิตในช่วงเวลาที่แตกต่างกันอยู่คนละประเทศโดยมีภูมิหลังของประเทศและอาชีพที่แตกต่างกันยังเขียนเป็นคำประพันธ์ที่ต่างแตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบด้วยพี่น้องลองคิดดูสิว่าพอพอเขียนไป 37-39 บทนะครับคือพระคัมภีร์เดิมเนี่ยสามสิบทจบไปแล้วการเขียนก็หยุดชนะไกา่โดยไม่ทราบสาเหตุไม่มีการเขียนติดต่อกันเป็นเวลา400ปี หลังจาก400ปีไปแล้วก็มีการเริ่มต้นเขียนใหม่โดยนักเขียนอีกประมาณ8คนเขียนหนังสือที่เหลืออีก20เล่ม27เล่มจนจบท่านคิดว่าในสภาพการเช่นนี้หนังสือวรรณกรรมศาสนาเล่ม น, นี้จะมีโอกาสมากน้อยสักแค่ไหนจะเป็นหนังสือที่เป็นทั้งหนังสือที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งในด้านศิลธรรมจริยาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านคำพยากร์และทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยเยอะไหม น้อยมากๆน้อยกว่าหนึ่งรลอยล้านด้วยซ้ำไปพี่น้องเคยฟังไอ้นี่ไหมอตอนเช้านี้ก็ประกาศบอกว่าใครอยากจะร้องเพลงเมสซย่านะครับไปออเดชเช่นได้นะครับวันอาทิตย์หน้า <c oughs> ที่คือสจิกรอีวานเชลิคอ้อซอยสิมีอยู่ปีหนึ่งผมก็มาฟังที่นี่มีนักร้องนี่เป็นร้อยนะครับมีนักดนตรีอีกประมาณเป็นร้อยเหมือนกันนะครับพี่น้อง วงดนตรีออเคสตรามีเครื่องดนตรีมากกว่า50ชิ้นด้วยกันแต่ยังสามารถเล่นเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะเพราะพริงออกมาได้เพราะสาเหตุอะไรครับเพราะสาเหตุอะไรสาเหตุที่สำคัญก็คือเพราะว่ามีคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังคือนักประพันธ์เพลงนั่นเองได้วางรูปแบบและเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นมานั่นเอง ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเข้ามาถือเครื่องดนตรีมาคนละชิ้นแล้วฉันอยากจะเล่นอะไรฉันก็เล่นตามใจของฉันนะครับอย่างนั้นก็คงจะไม่เป็นเพลงแน่นอนในทํานองเดียวกันการที่พระคิัมภีร์มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันย่อมยืนยันว่ามีผู้หนึ่งที่อยู่เบื้องหลังการบันทึกนี้และผู้นั้นก็คือพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่นั่นเองท่านคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญไหมย่อมเป็นไปไม่ได้ ผมยกอีกตัวอย่างหนึ่งให้พี่น้องฟังก็แล้วกันพี่น้องรู้จักไอ้นี่ไหมเก้าอี้นะเก้าอี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ ย, ยถ้าให้ช่างไม้ห้าคนไปทำไปทำฝาที่นั่งเนี่ยนะครับหนึ่งที่กับขาสี่ขาเนี่ยแล้วบอกว่าไม่คุณปรึกษากันคุณไปทําเก้าอี้มาก็แล้วกันมีใครจะซื้อเก้าอี้ตัวนี้ไหมครับมีไหม ฮัลโหลท่านตามผมทันไหมเนี่ยมีใครจะซื้อเก้าอี้ตัวนี้ไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ปรึกษากันขาหนึ่งอาจจะเป็นไงยาวขาหนึ่งอาจจะเป็นไงสั้นแล้วเอามาแล้วต่อแล้วไม่รู้จะเข้ากับไอ้ที่นั่งนี้ได้หรือเปล่าถ้าลองคิดดูซิว่าเฉพาะเก้าอี้ตัวเดียวเท่านั้นนะหรือโต๊ะตัวเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าไม่ได้ปรึกษากันความแตกต่างในความหลากหลายของความคิดของคนเนี่ย ก็จะมีมากมายถึงขนาดนี้เรามาทางด้านคณิต ศ, ศาสตร์บ้างมีคนเอาหลักการของความน่าจะเป็นไปได้คือพ r บ b a b i l i t y มาคำนวณว่าภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นที่ผมได้พูดไปทั้งหมดแล้วมีโอกาสสักแค่ไหนที่พระคมัมภี์จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ผมจะอธิบายพ r บ b a b i l i t y ให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งถ้ามีเหรียญอยู่สิบเหรียญ น, นะครับแล้วก็มีหนึ่งเหรียญที่แตกต่างจากเหรียญอื่น โอกาสที่คุณจะหยิบเหรียญนั้นออกมาในการหยิบหนึ่งครั้งเท่ากับเท่าไหร่ก็คือมีหนึ่งใน10ถูกไหมนะถ้าให้คุณหยิบ2ครั้งโอกาสก็จะเพิ่มขึ้นนิดเด็ก็จะเป็นสองใน10โดยหลักการดังกล่าวข้างต้นนี้เมื่อนํามาคํานวณในเรื่องของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคุณซัมคัมภีร์ผลปรากฏว่าอย่างไรก็มีคนคํานวณ น, นะครับเขาบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าคุณเอาเหรียญบาท เหรียญสิ บ, บาทนะครับรู้จักเหรียญสิบบาทไหมครับเอาเหรียญ10 บ, บาทไปปูให้เต็มพื้นที่ในประเทศไทยโดยให้มีเหรียญสิ บ, บาทเพียงอันเดียวเท่านั้นที่แตกต่างจากเหรียญอื่นๆแล้วให้คุณมีโอกาสหนึ่งครั้งที่จะหยิบเหรียญสิ บ, บาทอันที่แตกต่างจากเหรียญอื่นๆขึ้นมาโอกาสที่คุณจะหยิบได้อย่างถูกต้องก็จะมีโอกาสเท่ากับที่พระคฤสังัมภี์ จะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนี้โอกาสเยอะไหมน้อยมากๆถ้าถ้าอาศัยหลักแคงคุลัสก็บอกเข้าใกล้ศูนย์นะครับนะครับโอกาสนี้เข้าใกล้ศูนย์จริงๆนะครับเพรา ะ, ะนันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระคิดมำคมพีจึงเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าพระคิดสำคมภี เป็นหนังสือที่เราสามารถเชื่อถือได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ดลใจให้คนบันทึกพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาและพระองค์เป็นผู้ที่กมกับตลอดการบันทึกพระคิกัมภีร์มาโดยตลอดนั่นเองข้อพิสูจน์ประการที่สองก็คือพระคิรัมภีร์เป็นหนังสือที่ไม่มีใครสามารถทำลายได้ indestructibility นะครับ พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่1 1ึ่ข้อที่89ผู้เขียนพระคัมภีร์สดุดีบทที่1 1ึ่ข้อที่89กล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิษมีคนนะครับเข้าไปในร้านช่างเหล็กนะครับช่างเหล็กก็จะมีเครื่องมือที่สําคัญสองอย่างก็คือมีคอนรู้จักคอลไหมครับรู้จกักรู้จักทั่งไหมครับ รู้จักนะครับทั่งก็คือเป็นที่ที่เขาเอาของไปไปวางไว้ข้างบนแล้วก็เอาคอนทุบนะครับเขาก็ถามช่างเหล็กบอกว่าช่างครับนี่คุณเปลี่ยนทั่งของคุณบ่อยแค่ไหนช่างเหล็กก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ตอบว่าตั้งแต่ผมเปิดร้านมาผมยังไม่เคยเปลี่ยนทั่งเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั่งอันเดียวของผมอันนี้สามารถรองรับคอนที่พังเสียหายไปแล้วตั้งไม่รู้กี่อันนั่นเองเพราะวชนะของพระเจ้าก็เป็นอย่างเดียวกัน พี่น้องครับกว่าพระคิดสามพันพีจะตกมาถึงมือของท่านและของข้าพเจ้าตลอดเวลาที่ผ่านมาค้อนแห่งการข่มเหงการดูหมิ่นเยียดหยามการวิพากวิจาร์พวกเสรีนิยมและลัทธิที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้ตีกันํำลงมาบนทั้งแห่งพระวจนะของพระเจ้าแต่ค้อนเหล่านั้นก็พังทลายไปไม่เกิดผลอะไร เพราะเหล่านั้นพังยับเยินกลายเป็นเศษเหล็กไปมากต่อมากในขณะที่พระวนจนะของพระเจ้ายังยืนหยัดไม่วันไหวหรือสึกก่อนแม้แต่น้อยยกตัวอย่างเช่นพระกิตติมังพียืนหยัดอยู่แม้มีการข่มเหงจากอำนาจทางการเมืองไม่ใช่อำนาจธรรมดาแต่เป็นอำนาจจากจักรพัฒแห่งอาณาจักรโรมในปีคิตศกราช303รจักรพัฒไดโอครีเทียนนะครับ ทรงคิดว่าโปรองได้ประสบความสําเร็จในการทําลายพระคริสต์คำพีทุกเล่มที่โปรองทรงเกลียดชังเป็นว่าติดต่อกันหลายต่อหลายปีที่โปรองทรงเพียรพยายามในการใช้วิธีเข้นฆ่าทําลายทั้งคริสเตียนและพระคริสต์คำพีอย่างไร้ความปราณีในที่สุดโปรองทรงเขียนข้อความบนกองขี้เท่าฐานที่เกิดจากการเผาพระคำภีครั้งใหญ่ข้อความนั้นเขียนไว้ยอย่างนี้ว่าตั้งแต่นี้ไป คริสเตียนสิ้นชื่อแล้วอะไรเกิดขึ้นครับปากฏยว่าอีกยี่สิปีต่อมาภายหลังจกักรพรรดิคอนสแตนตินที่ได้กลับใจมาเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์นั้นได้ประกาศให้รางวัลแก่ผู้ที่มีพระคัรรมภีร์เก็บรักษาไว้พระองค์บอกว่าใครมีพระคัรรมภีรีเก็บรักษาไว้เอาออกมาเราจะมีรางวัลให้ ภายในเวลาไม่ถึงยีบสี่ชั่วโมงมีคนนำพัคเคนซามมัีออกมาถวายพระองค์ไม่ต่ากว่าห้าสิบเล่มด้วยกันพัคเคนซามมัียืนหยัดอยู่แม้ถูกการข่มเหงทางด้านปรัชยามีนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งของฝรั่งเศสชื่อว่าโวแตร์โวแตร์ครั้งหนึ่งเขาเคยพูดอย่างนี้บอกว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปอีกหนึ่งปีจะไม่มีพระคัมภีหลงเหลืออยู่บนโลกนี้อีกเลย หนึ่งรปีผ่านไปการแพร่ขยายของพระคิสรรมบ์ีก็ยังแพร่ขยายออกไปมากขึ้ น, นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นกับโวแต่ปรากฏว่าหลังจากที่โวแต่ถึงแก่กรรมแล้วสมาคมพระคิสรรมแห่งเมืองเจนีวาได้ซื้อสำนับพิงเก่าๆของเขารวมทั้งบ้านของเขาเพื่อใช้เป็นที่เก็บพระคิสรรมบ์พีในประเทศฝรั่งเศสในวันที่ยี่สสามเดือนธันวาคมหนสา รัฐบาลอังกฤษได้ซื้อต้นฉบับพระคิัพมภี์ฉบับภูเขาซีนายจากชาวราัสเซียในราคาห้าแสนเหรียญหรือประมาณ20ิล้านบาทในเวลานั้นในวันเดียวกันเขาก็ไปดูหนังสือของโวแต่คนที่ต่อต้านพระคัมภีนะครับปรากฏว่ามีหนังสือของโวแต่ถูกวางขายในร้านหนังสือในนครปารีสในราคาเพียงแค่บเอ็ดเซนคือราคาประมาณหบาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีคนหนึ่งก็คือโจเซฟสตาลินโจเซฟสตาลินเป็นอชัชญยกรผู้กระหายเลือดมีอำนาจปกครองรัสเซียต่อจากเลนินตั้งแต่เขาขึ้นสู่อำนาจจนถึงวันตายของเขาในวัยห้าสิบกว่าปีของเขาสตาลินได้ก่อตั้งโครงการกวาดล้างพระคัมภีร์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินรัสเซียอย่างที่ไม่เคยมีใครทามาก่อนเลย ผู้นำที่บ้าคลั่งคนนี้พยายามจะกวาดล้างพระกัมพีและลบล้างพระเจ้าแห่งพระกัมพีให้ออกไปจากความคิดของคนรัสเซียให้ได้ถามว่าสตาลินประสบความสำเร็จไหมเมื่อเร็เวๆนี้ในประเทศรัสเซียนะครับได้มีการสำรวจพบว่าทุกวันนี้กลับมีคนเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในพร ะ, ระกักมพีมากกว่าทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาในประเทศรัสเซีย พระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ชั่วนินนรันดร์และไม่มีใครสามารถทำลายได้เหมือนที่รปเรียสุกิตได้ทรงตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่35ที่เราได้ฟังไปเมื่อเช้านี้แล้วว่าฟ้าและดินจะร่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยแม้แต่น้อยขอ้อพิสูจน์ประการที่สก็คือพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดในโลก พูดถึงอันนี้ก็ต้องพูดถึงป๊อปปูแบบปราลิตี้นะครับถ้าพระคัมภีร์นะครับเราคิดง่ายๆถ้าพรูดถตงพรมคัมภีร์เป็นหนังสือที่ไร้สาระทําไมคนมากมายทั่วโลกจึงอ่านหนังสือเล่มนี้มากถึงขนาดนี้มีบุคคลชั้นนําทั่วโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ไม่เพียงแต่อ่านพระคริตมคัมภีร์เท่านั้นแต่ยังดําเนินชีวิตตามคําสอนในพระคริตมคัมภีร์ด้วย ท่านรู้จักอับราฮัมลิงคอนไหมครับอับราฮัมลิงคอนเป็นประธานธิบดีของสหรัฐอเมริกาผู้ทําการเลิกทาสทําไมอั บ, บราฮัมลิงคอนจึง เ, เลิกาทาสเพราะอั บ, บราฮัมลิงคอน เ, เ, เป็นคนที่ศึกษาพระคําของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างเราทั้งหลายทุกคนมาให้มีความเท่าเทียมกันนั่นเองดรซุนยัตเซนซึ่งประเทศจีนยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งชาติจีนเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนในรักพระเจ้า และทำการปฏิรูปการปกครองของประเทศจีนก็เชื่อในพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ด้วยเหมือนกันเซอร์ไอแซกนิวตันบีดาแห่งฟิสิกส์นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างสูงส่งมากมายท่านได้ทำให้เรายุ่งยากมากนะครับในการเรียนฟิสิกสพี่น้องเรียนฟิสิกสแล้วยุ่งยากไหมท่านต้องดีใจนะครับเพราะเขาบอกว่าความจริงไอแซกนิวตันเนี่ยเขียนหนังสือฟิสิกส์เยอะมากนะครับ แต่พรากฏว่าวันหนึ่งเกิดไฟไหม้นะครับที่ห้องสมุดของท่านท่านตกใจนั้นก็คว้า ม, มาได้เพียงเล่มเดียวนะครับและเล่มที่ท่านคว้า ม, มาได้คือเล่มที่ทําความยุ่งยากให้ท่านกับข้าพเจ้าเนี่ยในการเรียนวิชาฟิสิกส์จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับเรามาลองพิจารณาดูทัศนะของบางท่านขั้งต้นนี้ที่มีต่อพระคฤิดสามคำพีดีไหมครับคนแรกก็คือจอร์ด์วอชิงตันรู้จักจอร์ด์วอชิงตันไหม จอร์วอชิงตันเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะปกครองโลกนี้อย่างถูกต้องโดยปราศจากพระคิณธรรมคัมภีร์จริงๆแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญของหลายชาติในโลกนี้ก็มีพื้นฐานมาจากคำสอนในพระวจนะของพระเจ้าทั้งสิน้นแต่เนื่องจากว่าหลายหลายชาติในปัจจุบันนี้นั่นเองห่างเหินไปจากพระเจ้าก็เลย ไม่ได้มีความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงอีกข้อหนึ่งก็คือวินเลียมแกรสตน stone วินเลียมแกรสต stone เป็นนายกรัฐมนตรีมีที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของอังกฤษในศตวรรษที่19ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าได้รู้จักบุคคลสำคัญในสมัยของข้าพเจ้าสา95คนและในจำนวนนี้มี87คนที่ดำเนินชีวิตตามคำสอนในพระคัมภีร์ รู้จักวินสันเชอร์ชิลล์ไหมวินสันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีของสหราฐชาณาจักรอังกฤษในสมัยสงครามโลกได้กล่าวว่าความมั่นใจของเราวางรากฐานอยู่บนพระคริตัมภีร์ซึ่งเปรียบเสมือนสีลาใหญ่อันมั่นคงที่ไม่มีวันแตกสลายเจียงไคเช็คประธานธิบดีคนแรกของจีนไต้หวันได้กล่าวว่าพระครริตัมภีร์คือเสียงตรัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังมีอีกนะครับ ไฮเล่ซีลาซี asi, เป็นจักรพรรดิของเอธิโอเปียผู้นำการปฏิรูปทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมหลายอย่างมาสู่ประเทศเอธิโอเปียท่านได้กล่าวว่าพระคริคัมภีร์ไม่เพียงแต่เป็นหนังสือที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นคู่มือสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วยเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเคารพและรักในพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือชิงแมนลี ชิงแมนดีเป็นประธานธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐประเทศเกาหลีใต้เขาถูกจับขังคุกในระหว่างการเคลื่อนไหวเพื่อเอกราชของประเทศเกาหลีท่านได้กลับใจมาเป็นคริเสเตียนในระหว่างที่อยู่ในคุกนั่นเองเขาได้กล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนนักโทษในคุกด้วยกันเป็นคนเปิดพระคัรรมภีร์ให้ผมอ่านเพราะว่านิ้วมือของผมถูกกระแทกจนกระทั่งใช้การไม่ได้ ผมจึงมีโอกาสได้อ่านพระคิรคคัมภีร์และอ่านเรื่อยมาตลอดชีวิตของผมคนนี้ท่านต้องรู้จักแน่ในพลดักลาสแม็กอาเธอร์ผู้เป็นแม่ทัพของพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองเจ้าของคำพูดที่บอกว่า I will return ท่านได้กล่าวว่าเชื่อผมเถอะผมจะบอกให้ไม่มีสักคืนหนึ่งเลยไม่ว่าผมจะเหน็ดเหนื่อยสักแค่ไหนก็ตามที่ผมจะเข้านอนโดยที่ยังไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ เซอร์ไอแซกนิวตันนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งคลาสสิคอลฟิสิกส์นะครับวันหนึ่งท่านก็มีความคิดอันหนึ่งท่านก็ทำสุริยะจักรวาลจำลองไม้เพื่อนของท่านที่เป็นเพื่อนชาวเอนักฟิสิกส์ด้วยกันดูเพื่อนของเขาก็ชมว่าโอ้นิวตันสิ่งที่ท่านทำเนี่ยสวยงามมากผมก็ถามว่าใครเป็นคนออกแบบและสร้างขึ้นมาไอแซกนิวตันตอนแรกก็แกล้งบอกเพื่อนของเขาอย่างนี้บอกว่าเอย ไม่มีใครสร้างหรอกอยู่ดีๆผมเดินเข้ามาในห้องผมก็เห็นสุริยะจักรวาลจาลองเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่แล้วเพื่อนของเขาก็เลยบอกกับว่าบอกกับนิวตันว่าเฮ้ยนิวตันเอ็งจะบ้าหรือไงของอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเองได้ยังไงมันจะต้องมีคนออกแบบและจะต้องมีคนสร้างอย่างแน่นอนสุดท้ายไอแซกนิวตันจึงบอกเพื่อนของเขาบอกแก้วอย่างนี้ว่า ในเมื่อหุ่นจำลองของระบบสุริยะจักรวาลยังต้องมีคนออกแบบและทำขึ้นมาแล้วเอกภพอันยิ่งใหญ่และสลับซับซ้อนยิ่งกว่านั้นมากมายสักแค่ไหนจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยความบังเอิญได้อย่างไรครั้งหนึ่งไอแซกนิวตันได้กล่าวอย่างนี้ว่าความรู้ที่ผมมีเปรียบเสมือนกับทรายในมือของเด็กเพียงแค่หนึ่งหรือสองกมือเท่านั้นแต่พระสติปัญญาของพระเจ้ายังมีอีกมากมายมหาศาล เปรียบเสมือนกับเม็ดทรายที่อยู่ที่ริมฝั่งทะเ ล, ะเลนั่นเองพี่น้องทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้พระคัมภีร์ถูกแปลออกเป็นภาษาต่งตางๆกี่ภาษาแล้วมีใครอยากจะลองไหมครับยี่สิบคำถามฮัลโหลใครจะทายคนแรกกี่ภาษาดีเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเก้าร้อยโอ ใกล้เคียงครับเกือบถูกเอา้าต่อไปสองเอาเท่าไหร่ดีเท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่มีใครกล้าตอบไม่ต้องกลัวเวลาผมไม่ตอบก็ตอบเลยนะครับปัจจุบันนี้มีพระคำพีแปลออกเป็นภาษาต่างๆมากกว่า 2,287 ภาษาสำหรับในประเทศไทยนั้นถูกแปลออกเป็นภาษาต่างๆนะครับ ไม่ต่ำกว่า19ภาษาแล้วเพราะฉะนั้นเราจงภาคภูมิใจเวลาท่านอ่านพระกัมภีร์ท่านก็ต้องบอกกับตัวเองบอกว่าฉันเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่มหัสจั์เล่มนี้อ่านหนังสือที่มีคนอ่านมากที่สุดในโลกนี้ข้อพิสูจน์ข้อที่สก็คือความรู้และข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างได้ยืนยันว่าพระคิดสามกัมภี์เป็นพระวจนะของพระเจ้า ถึงแม้ว่าพระครัมภาร์เป็นหนังสือที่มุ่งกล่าวถึงข่าวสารที่มาจากพระเจ้าและไม่ใช่ตําราทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะแต่แท้ที่จริงแล้วในพระครัมภีร์มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหลายอย่างด้วยกันยกตัวอย่างเช่นพระคมภีพูดถึงเรื่องโลกกลมพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อที่22กล่าวว่า คือ NO. พระองค์ผู้ประทับเหนือปริมณฑลของแผ่นดินโลกและชาวแผ่นดินโลกก็เหมือนอย่างตัคกัแตนโมในฉบับปี2011คือฉบับมาตรฐานนะครับได้กล่าวอย่างนี้ว่าคือพระองค์ผู้ประทับเหนือหลังคาโค้งของแผ่นดินโลกคําว่าปริมณฑลหรือหลังคาโค้งเนี่ยในภาษาอังกฤษใช้คําว่า Circle คิลนะครับเซอร์เถ้าท่านไปดูฉบับภาษาอังกฤษจะแปลว่าเซอร์เคซึ่งมีความหมายว่าวงกลม แต่ในภาษาฮีบรูนั่นเองใช้ศัพท์คำหนึ่งคือคำว่าคลักคำว่าคลักนี้น่าจะแปลว่าทรงกลมมากกว่าวงกลมนะครับราอมีข้อนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อประมาณเจ็ด้อยสิบปีก่อนคริสตศักราชหรือประมาณสอง0เจ็ดร้อปีมาแล้วได้บอกให้เราทราบว่าโลกของเรามีลักษณะกลมไม่ใช่แบนหลายคนเคยอ่านหนังสือซิกิสิสก็จะเกิดคาถามว่า ทำไมกาลิเลโอถึงถูกจับไปขังอยู่ในคุกโดยบาทหลวงแคทอลิกนะครับเพราะว่ากาลิเลโอเชื่อว่าโลกกลมบาทหลวงแคทอลิกไม่ได้อ่านพัมพีครับพี่น้องเขาไม่เข้าใจว่าพัมพีพูดถึงว่าโลกกลมนะครับจริงอยู่ถึงแม้จะมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านักปรชาชญาชาวชาวกรีกหลายคนได้เคยตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับเรื่องโลกกลมไว้ ประมาณ540ปีก่อนคิดศักราลดก็ตามแต่คนทั่วๆไปก็มีความเชื่อว่าโลกน่าจะแบนจนกระทั่งมีการสร้างเข็มทิศแล้วก็มีการเดินทางไปรอบโลกโดยโคลัมบัสและแมก g าเรนในเวลาต่อมาอันนั้นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราเดินทางไปเรื่อยๆแล้วมันกลับมาที่เก่าก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นยังไงน่าจะกลมนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เพื่นจะมีหลักฐาน แน่นอนยืนยันเนี่ยก็คือประมาณ60สปีมาแล้วคือในปี1957เ้าบเมื่อเขาได้ทำการส่งดาวเทียมขึ้นไปโคโจรรอบโลกและถ่ายภาพของโลกลงมาทุกคนจึงได้เห็นด้วยตาของตัวเองว่าอ๋อแท้ที่จริงโลกของเรามีลักษณะเป็นทรงกลมนั่นเองพราอพีไม่เพียงแต่บอกว่าโลกกลมเท่านั้นพ่อพียังบอกว่าโลกของเราลอยอยู่ด้วยนะครับ ตามความเชื่อของคนสมัยโบราณเชื่อว่าโลกของเรามีเต่ายักษ์หรือสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างหนึ่งรองรับอยู่ข้างล่างนะครับคนไทยก็เชื่อว่ามีอะไรมีปลาตัวใหญ่ชื่อว่าปลาอาโนนใช่ไหมฝรั่งก็เชื่อเหมือนกันว่ามียักษ์ตัวหนึ่งชื่อว่าแอตลาสนะครับแกก็แบกโลกเอาไว้นะครับวันไหนที่แกเมื่อยแกก็ขยับนั่นก็คือเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาบนโลกของเราแต่ในพระธรรมโยบบทที่26ข้อที่7 ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงคขี่อุดร อ, ออกคลุมที่เวงวางและแขวนโลกไว้เหนือที่ว่างป่าในฉบับหนึ่งันเเจ็ดบอ็ดนะครับแปลว่าแขวนโลกไว้โดยไม่ติด ก, กับอะไรแปลว่าอะไรแขวนโลกไว้โดยไม่ติด ก, กับอะไรพี่น้อง <laughs> ในฉ บ, บับคิงเจมส์นะครับใช้ข้อความบอกว่า he stretches out the north over the void and hangs the, the earth on nothing Hang the แขวนโลกไว้โดยไม่ติดกับอะไรแปลว่าอะไรก็แปลว่าลอยครับใช่ไหมใช่หรือว่าใช่หรือว่าแขวนโลกไว้โดยไม่ติดกับอะไรสมัยโยบนะครับ โยบอาจจะไม่เข้าใจนะครับและไม่รู้ว่าจะอธิบายคําว่าลอยอยู่ยังไงแกก็เลยเขียนแบบภาษาตามตามที่แกเห็นนะครับนะว่าแขวนโลกไว้โดยไม่ติดกับไหลพระบีข้อนี้มาจากพระคัมภีร์โยบนะครับพี่น้องพระคัมภีร์โยบเป็นหนังสือพระคัมภีร์ที่เก่าแก่มากที่สุดเล่มหนึ่งในพระคิตคัมภีร์นักศึกษามอบีบอกเราว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้ถูกบันทึกขึ้น เมื่อ 1,520 ปีก่อนคิตศักราชหรือประมาณ 3,500 ปีมาแล้วเพราะมีบอกกล่ามาตั้งแต่ 3,500 ปีก่อนหน้านี้แล้วว่าโลกของเราลอยอยู่นั่นเองหาได้มีสิ่งใดมาคำจุนอยู่เบื้องล่างไม่ในขณะที่วงการวิทยาศาสตร์เพิ่งจะมีการกล่าวถึงครั้งแรกนะครับในข้อเขียนของเซอร์ไอแซกนิวตันในปี1687ที่บอกว่าโลกน่าจะลอยอยู่ และเพิ่งจะมีหลักฐานยืนยันเรื่องนี้ก็คือเมื่อประมาณหกสิบปีที่ผ่านมานี้เมื่อเราสามารถส่งดาวเทียมออกไปและถ่ายภาพลงมาได้นั่นเองเอาอีกสักเรื่องหนึ่งดีไหมครับพี่น้องเอาไหมเอาอีกเรื่องหนึ่งเนาะเรื่องจำนวนดวงดาวที่ไม่สามารถจะนับได้ประมาณสองพันปีก่อนคิสสกักลาดพระเจ้าก็ตรัสกับผู้ชายคนหนึ่งชื่ออั บ, บราฮัมในค่าคืนวันหนึ่งอย่างนี้ว่า พ ร, พระองค์จึงพาอับราฮัมออกมากลางแจ้งแล้วตรัสว่ามองดูท้องฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหมดได้ก็นับไปเถิดแล้วพระองค์ตรัสว่าพง์พันุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้นนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่บันทึกอยู่ในปฐมกาลบทที่ 15: หข้อหพระเจ้ากําลังสัญญาที่จะให้อับราฮัมเนี่ยเป็นต้นตระกูลของชนชาติที่มีลูกหลานนับไม่ถ้วนเหมือนกับดวงดาว แต่เชื่อแน่ว่าอับราฮัมคงจะรู้สึกแปลกใจในตอนแรกเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะในเวลานั้นด้วยตาเปล่าของคนเราเนี่ยจะสามารถมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าได้ประมาณแค่เพียงหนึ่งันอดวงเท่านั้นก่อนศตวรรษที่ส7บดไม่มีการผลิตกล้องจุลทศน์กล้องโทรทัศน์ขึ้นมาเพื่อใช้ส่องดูดาวนะครับปโตเลมีนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นได้บันทึกไว้ว่า มีดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าเพียงแค่หนึ่งพันกับห้าสิบหกดวงเท่านั้นนี่เป็นข้อมูลของนักดาราศาสตร์สมัยดึกดำบันนะครับนอกจากนี้ยังมีนักดาราศาสตร์อีกหลายคนเขียนไว้ว่ามีดวงดาวเจ็ดร้อยเจ็ดสบเจ็ดดวงเคเปอร์บอกว่ามีหนึ่งพันกับห้าดวงอับราฮัมในเวลานั้นก็คงจะคิดว่าลูกหลานของเขาคงจะมีเพียงแค่นั้นเท่านั้นเท่านั้นเองหละแม้พ่อปีจะไม่ได้บอกรายละเอียดกับเรา แต่ท่านคงจะคิดว่าอาจจะมีดวงดาวบนท้องฟ้ามากกว่านั้นอีกนิดหน่อยที่ท่านไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ต้องบอกว่าอับราฮัมไม่ได้ผิดหวังนะครับพราะทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์บอกกับเราให้เราทราบอย่างนี้ว่าดวงดาวบนท้องฟ้าอาจจะมีมากพอๆกับเม็ดทรายที่อยู่ที่ชายฝั่งทะเลก็เป็นได้พี่น้องรู้ไหมครับว่าในกาแล็กซี ของเรานะครับก็คือทางช้างเผือกท่านรู้จักทางช้างเผือกไหมรู้จักไหมกลางคืนนะครับถ้าท่านไปบ้านนอกแล้วมันมืดๆนะครับแล้วก็ท้องฟ้าโปร่งนะครับท่านมองขึ้นไป บ, บ, บนท้องฟ้าจะมีมีสีขาวๆนะครับเป็นลูกก้นหอยนะครับอยู่บนท้องฟ้าอันนั้นแหะครับก็คือทางช้างเผือกกาแล็กซีของเราซึ่งมีสุริยะจักรวาลและโลกของเราอยู่ในกาแล็กซีอันนี้นักวิทยาศาสตร์บอกกับเราบอกว่า มีดวงดาวประมาณไม่มาก10ยกกําลัง14บสนะครับสยกกําลัง1ิบสีก็คือเลขหนึ่งตามด้วยเลขศย์อีกเท่าไหร่สิตัวไม่ต้องนับนะครับผมนับมาให้ละ100รล้านล้านดวงในกาแล็กซีของเราก็คือทางช้างเผือกแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าในเอกภพของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีกาแล็กซีของเรานะไม่ใช่มีทางช้างเผือกอยู่เพียงอันเดียวเท่านั้น แต่ยังมีกาแล็กซี่เอินเ อ, นอินอีกรวมกันสิบยกกำลังสิบสองก็คือหนึ่งล้านล้านกาแล็กซี่นักราศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับว่าความสามารถของมนุษย์เท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครสามารถที่จะนับดวงดาวบนท้องฟ้าได้เลยความจริงพระเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบกับอับราฮัมในการสนทนาก่อนหน้านี้ว่า เราจะทําให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงครีดินผู้ใดนับผงครีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้นอกจากนี้ยังมีพระมปีอีกหลายตอนนะครับที่บันทึกถึงเรื่องนี้เช่นในเยเลมีบทที่สามสามข้อยีบสองบอกว่าบริวารของฟ้าสวรรค์จะนับไม่ได้และเม็ดทรายที่ทะเลก็ตวงไม่ได้ฉันใดเราจะให้เชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของเราและปุโรหิตเผ่าเลวีผู้ปลนิบัติเราทวีมากขึ้น อย่างนั้นและอีกตอนหนึ่งในฮีบรูบทที่11ข้อที่12กล่าวว่าเหตุนั้นจากชายคนเดียวซึ่งเกือบจะกล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคนที่ตายแล้วนั้นก็ได้ทำให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและเป็นดั่งเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวถึงเกี่ยวกับดวงดาวบนท้องฟ้าความเห็นของนักวิทยศาศาสตร์ อ่าทางวิทยาศาสตร์ของคนในสมัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างก็อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์ทั้งหลายบอกว่ามีดาวอยู่เพียงแค่พันกว่าดวงเท่านั้นพี่น้องครับพี่น้องคิดว่าดาวบนท้องฟ้ากับเม็ดทรายที่ฝั่งทะเลอันไหนมากกว่ากัน เพื่อจะช่วยให้เราเข้าใจจินตการภาพพจน์ของดวงดาวบนท้องฟ้านะครับผมก็อยากให้เราพิจารณาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อีกสักนิดหนึ่งอย่าเพิ่งปวดหัวนะครับท่านคิดว่าเอกภพของเราเนี่ยก็คือทางช้างเผือกเนี่ยที่คุณเห็นอยู่บนท้องฟ้าขาวๆเนี่ยมันมีความกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเออนักวิทยาศาสตร์ก็บอกกับเราอย่างนี้ว่าเฉพาะกาแล็กซีของเราคือทางช้างเผือกนั้น นักวิทยาศาสตร์ก็คำนวณจิกๆๆโด้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับและเสร็จแล้วก็บอกกับเราบอกว่าถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเราสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วเท่าแสงเดี๋ยวนี้เราไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสงนะครับถ้าเกิดวันหนึ่งข้างหน้าเราสามารถเดินทางได้ด้วยความเร็วเท่าแสงคือหน0่งแหม่ไมล์ต่อวินาทีหรือส0 0 0สนกิโลเมตรต่อวินาทีหรือ700ล้านไมล์ต่อชั่วโมง เราต้องใช้เวลาในการเดินทางนะครับไม่ได้ไปทั่วกาแล็กซีของเรานะเอาเฉพาะด้านยาวเอาเฉพาะด้านยาวจากขอบหนึ่งไปถึงอีกขอบหนึ่งนะครับอยากทายไหมว่าใช้เวลากี่ปีเราต้องใช้เวลาในการเดินทางจากขอบหนึ่งถึงอีกขอบหนึ่งของกาแล็กซีของเราถึง1นึ่งแสปีด้วยกันพูดง่ายๆก็คือด้านยาวของทางช้างเผือกหรือกาแล็กซี ที่สุริยะจักรวาลในโลกของเราอยู่นั้นมีความยาวเท่ากับหนึ่งแสนปีแสงนั่นเองยาวไหมครับ <c oughs> ยาวมากแต่ทางช้างเผือกเป็นเพียงหนึ่งในกาแลในหลายหลายล้านกาแล็กซีที่มีอยู่ในจกักรในเอกภพของเราเท่านั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องลองคิดดูซิว่าท้องฟ้าจักรวาลที่พระเจ้าทรงในมิตรสร้างทุกสิ่งอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันมีความมาก ใหญ่โตมโหฬารสักแค่ไหนด้วยกันและที่สําคัญก็คือว่าดวงดาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแตกเกาะกันนะครับด้วยแรงโน้มถ่วงเหมือนกับจับมืออแต่เป็นมือที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าของเรานั่นเองนะครับดังนั้นในเอกภพของเราจึงมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลและมีดวงดาวที่มากมายมหาศาลไม่ยิ่งยอนไปกว่าเม็ดทรายที่อยู่ที่ชายฝั่งทะเลของโลกนี้อย่างแน่นอน แต่ขอบคุณพระเจ้าแม้มีดวงดาวมากมายขนาดนี้ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถนับได้แต่ใครนับได้พี่น้องพระเจ้าทรงนับไว้ทั้งหมดนะครับไม่เพียงแต่นับเท่านั้นนะครับพระองค์ยังตั้งชื่อให้มันทุกดวงด้วยนะครับสดุดีบทที่147่็ดข้อสกล่าวว่าพระองค์ทรงนับจํานวนดาวพระองค์ทรงตั้งชื่อมันทุกดวง ตอนที่ผมคิดถึงพระเจ้าพาอาดามเนาะไปดูสัตว์ต่างๆที่โปร่งสร้างขึ้นมาแล้วให้อาดามตั้งชื่อเนาะผมว่าอาดามนี่ก็เจ๋งเป่งแล้วนะพี่น้องครับวันนี้เนี่ยท่านใช้เวลาตั้งชื่อลูกคนหนึ่งเท่าไหร่ครับพี่น้องบางคนใชนหนังสือห้าเล่มนะครับพี่น้อง <c oughs> ใช้เวลาสามเดือนจนกระทั่งใกล้จะคลอดแล้วยังไม่สามารถตั้งชื่อลูกได้นะครับ <c oughs> ผมคิดว่าสติปัญญาของอาดามนี่ต้อง เนี่ยต้องต้องดีมากเป็นพิเศษทีเดียวแต่เมื่อเทียบสติปัญญาของของอาดามกับพระสติปัญญาของพระเจ้าที่นับดวงดาวทั้งหมดแล้วก็ตั้งชื่อมันทุกดวงเนี่ยอาดามต้องบอกว่าต้องบอกว่าอาดามต้องไปไงครับต้องชิดซ้ายไปเลยนะครับนอกจากนี้ในพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อ26ยังกล่าวว่าจงแยนหน้าขึ้นดูผู้ใดสร้างสิ่งเหล่านี้พระองค์สู่ผู้ทรงนําบริวารออกมาตามจํานวนเรียกชื่อมันทั้งหมด โดยอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และเพราะพระองค์ทรงฤทธ์เข้มแข็งจึงไม่ขาดไปสักดวงเดียวและพี่น้องรู้ไหมว่าพระเจ้าสร้างสิ่งเหล่านี้ด้วยอะไรฮัลโหลไม่ต้องงงนะครับพระเจ้าสร้างด้วยอะไรด้วยคําตรัสของพระองค์ เนาะด้วยคําตรัสของพระองค์พระองค์ตรัสว่าจงมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไงเกิดขึ้นจริงๆนะเราสร้างสร้างขึ้นจากวัฒนานี่เราไม่น่าจะเรียกว่าสร้างพี่น้องขึ้นจากวัฒนาเนี่ยข้างล่างที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่ามีโองค์ไม่รู้เป็นกี่ร้อยใบยนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับเราไม่ได้สร้างนะครับพี่น้อง เราเพียงแต่แปลสภาพเราไปร้านวั ส, สดุก่อสร้างใช่ไหมเราจ้างบริษัทก่อสร้างเขาไปเอาวั ส, สดุกินต่างๆอิฐหินดินทรายต่างๆมาแล้วก็มาแปลสภาพเป็นรูปตัวอาคารคึกจักรที่เราสามารถนั่งประชุมกันอยู่ที่นี่ได้แต่เมื่อพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งพระเจ้าสร้างจากสิ่งที่ไม่มีอะไรเลยคือพระองค์ไม่ต้องใช้วัตถุดิบพระองค์ใช้เพียงอย่างเดียวก็คือ คำตรัสของพระองค์เท่านั้นพระองค์ตรัสสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นนั่นเองพระเจ้าไม่เพียงแต่สร้างดาวมากมายขนาดนี้เท่านั้นพระองค์ยังจัดระเบียบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเรียบร้อยและทรงตั้งชื่อมันทั้งหมดอีกด้วยนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยในเรื่องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่พระคิสตัมภีร์ได้เปิดเผยไว้ก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะค้นพบเป็นพันปีเลยทีเดียวมีเว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ เขียนหนังสือเรื่องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับที่สัมพันธ์กับพ่อแม่ทับพีพ่น้องสนใจก็ไปเปิดดูได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้พ่อแม่ีจึงเป็นหนังสือที่เราสามารถเชื่อถือได้เพราะอะไรเพราะนอกจากความรู้และข้อเท็จจริงต่างๆมากมายทางวิทยาศาสตร์ได้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์มาเป็นเวลานานก่อนที่มนุษย์จะค้นพบแล้วพระเจ้าทรงในมิสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ ก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการบันทึกพระคิรัมภีร์นี้เช่นเดียวกันด้วยประการสุดท้ายพระคิรมัมภีพ์ได้พิสูจน์ตนเองว่าเป็นหนังสือที่มีฤทธิ์อำนาจได้มีการสำรวจนะครับความเห็นของประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1966นะครับผลปรากฏว่า 79.8% ต่างให้ความเห็นตรงกันว่า พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่มีอิทธิพลต่อคนอเมริกันมากที่สุดอันนี้ปี1996ไม่ใช่วันนี้นะครับนะครับแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าคนที่โหวตว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือยอดนิยมมีอิทธิพลต่อชีวิตนั้นอ่านพระคัมภีร์เป็นประจําหรือเปล่ามีคนเป็นจํานวนมากมายในทุกยุคทุกสมัยที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคําแนะนําของพระคัมภีร์ต่างได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ในชีวิตของเขา เคยมีคนที่มีอดีตที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายเลวทรามเมื่อมาเผชิญหน้ากับสัจธรรมในพระคัมภีร์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันอัศจรรย์นในชีวิตของคนเหล่านี้ในปัจจุบันก็มีคนในสังคมทุกชนชั้นทุกระดับได้รับประสบะการณ์เช่นนี้เหมือนกันมีเรื่องหนึ่งเล่าให้พี่น้องฟังมีมีคนร้ายคนหนึ่งนะครับก็หนีการจับกุมของตํารวจเข้าไปฟัง หลบเข้าไปอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งไปฟังการเทศนาฟื้นฟูนะครับตอนแรกแกก็ไปทางซ้ายนะครับนักเทศก็ชี้บอกว่าจงกับใจเสียใหม่แกก็รึกว่าแกพูดกับแกนะครับแกก็ค่อยๆอย่องไปไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับนักเทศก็ชี้มืออีกครั้งหนึ่งว่าจงกับใจเสียสุดท้ายนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ทํางานในจิตใ จ, จของเขาในที่สุดเขาก็เปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผูช่ว Hello, ให้โลดให้รอดของเขานะครับ หลังจากจบการประชุมแล้วเขาก็มาปรึกษากับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ผมเป็นคนลาน้าหนีการจับกุ่มของตํารวจผมควรจะทําอย่างไรดีนักเทศก็บอกเขาบอกอย่างนี้บอกว่าเอาอย่างนี้สิคุณก็ไปมอบตัวกับตํารวจและเขาก็ไปปฏิบัติตามนะครับเขาถูกสารพิพากษาจําคุกเขาก็ไปนอนอยู่ในคุกนะครับหลังออกจากคุกเขาก็ไปศึกษาเพาะกัมภีร์เมื่อจบแล้วเขาก็ได้ถวายตัว เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์และนําคนหลายต่อหลายคนให้หันกลับมาเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์จา้าผมเองก่อนที่จะมาเป็นคุณเสียนผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีอารมณ์ร้ายแล้วก็เป็นคนขี้อายมากนะครับเห็นผมอย่างนี้ขี้อายจริงๆนะครับขี้อายขนาดไหนสมัยก่อนนะครับเขาขาไมโครโฟนมันไม่ใช่อย่างเงี้มันเป็นจานกลมๆเห็นไหมครับแล้วมันจะหลวมๆนะครับ ผมครั้งแรกขึ้นไปนำประชุมนะครับผมก็มือสั่นนะครับผมก็ไปจับขาไมโครโฟนนะครับสวัสดีพี่น้องท่านหลายนะครับมึงกูกูผมเป็นคนขี้อายมากนะครับเวลามีปัญหามักจะหุนหันพันแล่นผมเคยกโกรธคุณแม่ไม่คุยกับคุณแม่เป็นเวลาหลายสั ป, ปดาห์ด้วยกันที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็คือผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจสมัยเด็กนะครับบ้านผมอยู่แถวสำเพ็งนะครับ ช่วงตุ่จีนที่บ้านก็จะเปิดบ่อนเล่นไพ่กันแบบ3มวันสามคืนนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนหัวซอยท้ายซอยเป็นต้องเล่นไพ่การพนันในทุกรูปแบบผมเคยเกือบถูกตำรวจคว้าคอได้หลายครั้งทีเดียวอาศัยแรงเยอะนะครับก็ดิ้นหลุดออกมานะครับถ้าผมไม่ได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์ผมยังไม่ทราบว่าวันนี้ชีวิตของผมจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่เมื่อผมกลับใจมาเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์และศึกษาพระคําของพระเจ้าพร้อมทั้งมอบชีวิตให้กับพระองคเพราะวจนะของพระเจ้าก็คือพระคิตดกรรมบพีนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมอย่างอัศจรรย์จนพ่อแม่ของผมเองนะครับเวลานั้นก็แทบไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านได้มองเห็นจากในชีวิตของผมและนั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ชักนําให้คุณพ่อคุณแม่หันมาสนใจ และในที่สุดท่านก็ได้กลับใจเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยครอบครัวงผมอาจจะปฏิเสธความจริงในพระคัมภีร์แต่เขาไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของผมได้อย่างแน่นอนพี่น้องทั้งหลายครับบ่ายวันนี้เราเสียเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงที่จะบอกกับพี่น้องว่านี่คือข้อมูลด้านต่างๆที่ยืนยันกับเราว่าพระคัมภีร์ไม่เพียงแต่เป็นหนังสือที่เราสามารถวางใจได้เท่านั้น แต่ยังเป็นหนังสือที่มีฤทธิเดชและอำนาจสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนที่น้อมรับพระคำของพระเจ้าผู้เผยพระวจนะเยเรมีได้กล่าวในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้ออย่างนี้ว่าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งยังรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กวลกวายในปีที่แห้งแลง้งเพราะมันไม่หยุด ที่จะเกิดผลผมถามพี่น้องจริงๆพี่น้องอยากเหมือนต้นไม้ต้นนีไหมยอยากไหมเป็นต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำจะแรงจะแห้งยังไงก็ไม่กลัวร้อนก็ไม่กลัวใบก็ยังเขียวอยู่เสมอแล้วก็สามารถเกิดผลในยึดอยู่ที่ยากลำบากด้วยพี่น้องอยากเป็นต้นไม้ต้นนี้ไหมถ้าท่านอยากเป็นต้นไม้ต้นนี้ นะครับท่านต้องอย่างลากลึกลงในพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับไม่เพียงแต่ศึกษาและไขคุลเท่านั้นแต่นำไปสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตของท่านด้วยและท่านจะสามารถที่จะเป็นพยานได้อย่างเต็มปากว่าพระคำของพระเจ้าได้นาพระพรมาสู่ชีวิตของท่านยังไม่ขาดสายเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสามารถที่จะพูดกับเราผ่านทางพระคาของพระองค์ เยเรมีบอกว่าทุกเวลาเช้าพระเจ้ามีพระพรใหม่ใหม่ให้กับเราพี่น้องอย่าไปติดกับพระพรเก่าๆเนาะอเมนไหมพระเจ้ามีพระพรใหม่ที่จะให้กับเราพรุ่งนี้มะลืนนี้ทุกวันต่อไปถ้าท่านเปิดใจของท่านอ่านพระคำของพระเจ้าให้ควรพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ศึกษาและวางชีวิตของท่านอยู่บนรลกฐานแห่งความจริงในพระวจนะของพระเจ้า ท่านจะมีประสบประการณ์เองไม่ใช่ฟังคนพูดพี่น้องผมคุยกับอาจารย์พิษณุอักขพินเมื่อตอนเที่ยงนี้นะครับน้องสาวของอาจารย์ก็มาคุยกับผมแล้วก็ผมจะถามว่าเออทาไมท่านท่านนำสกุลนี้เนองเขาก็นําผมไปคุยกับอาจารย์อักขปิอ่าพิษณุอักขพินนะครับนะฮะ แล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามีโอกาสได้คุยมีโอกาสได้สนทนากับท่านพี่น้องพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้ามีพระพรมากมายที่จะให้กับชีวิตของเรานะครับ <S <S เพียงแต่ว่าเราสนใจไหมท่านสนใจไหมสนใจไหมสนใจถ้าสนใจต้องทํำยังไงท่านต้องมีเวลาให้กับใครให้กับพระเจ้าและผมรับรองได้เลยว่าถ้าท่านมีเวลาให้กับพระคําของพระเจ้า ท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขอพระเจ้าอวยรพระรรดพวกเราทั้งหลายทุกคนในบ่ายวันนี้ให้ชีวิตของเราอย่งลากลึกลงในพระคําของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นหนังสือที่เชื่อถือได้และเราสามารถวางใจได้อย่างแท้จริงเราร่วมใจการอธิษฐานดีไหมครับพระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์มากๆ เรารู้ว่ากว่าพระคุณซรมกัมภีจะมาถึงมือของเหล่านั้นต้องผ่านความลําบากมากมายมีคนใช้ชีวิตของเขาเพื่อแลกเอาสิ่งเหล่านั้นเก็บรักษาสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับเราจนถึงที่สุดนั่นเองวันนี้ขอพระเจ้าได้เปิดตาใจของเราที่จะเห็นคุณค่าในพระวจนะของพระองค์มากเพียงพอที่เราจะมีเวลาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ เพื่อที่จะใช้เวลาในการไข้ควรไต่ตรองและให้พระวจนะของพระเจ้านั้นลอล้อมชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นเหมือนอย่างองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อเมื่อคนทั้งปวงได้เห็นสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเขาจะได้พากันสรรเสริญพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอฝากพี่น้องทุกคนไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรกับพี่น้องทุกท่านครับ